ถ้าใครจะหรืออะไรจะรับเจตไทยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยไปขี้คาเขาเนี่ยเนี่ยนันไม่ใช่ถ้าไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้จะไปว่าทหารไม่ดีใครอย่าไปว่าใครนะว่าตัวเองดีกว่าแล้วลรู้ไหมกฎแห่งกรรมอะไม่เป็นยังไงวัจจักหมุนไปสู่ความหายนะนาเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเรามาแต่ความสมาธิอย่าลืมนะพะม่าเข้าเลยนะยวนเข้าปั๊บยึดห่วงเยียวดู มองเดียวมันรูกมันรู้จุดอ่อนของคนไทยอ่ะเหมือนอย่างใบใข้บางอาจารย์เนยชนะไอพมา่าถึงเจ็ดครั้งแต่แล้วพมารูร้จุดของคนไทยปั๊บปังเดียวแต่ความทันทีมันเผาไข้าบางอาจารย์ฆ่าตายหมดเลยอย่าลืมนะว่าในจัย์หนเทีย่ยวหลวงสารพันเรืองว่าเก่งฆ่าแม่ทัพพม่าตายไม่ใช่เนี่ยไอหลวงสารพันเรืองในจัน์หนเทีย่ยวอยากจะขี้เมาแล้วก็ยุทงวิธีดาบเป็นเพรนดาบนะมันชาวบ้า ท, ที่ฆ่าพมา่าตายคือแม่ทัพคือผู้หญิง ผ, ผ, ผู้หญิงเนี่ยนี่เขียนประวัติศาสตร์ผิดมายกย่องผู้หญิงเลยผู้หญิงเนี่ยนุ่งตรงกุเป็นตะเบงมานแล้วไปลอ่ลอลวงพมา่าอย่าลืมนะผู้ชนะสิทธิมันแพน้ที่ไหนอาจารย์เดชแพ้ที่ไหนนี่อาทิตย์นี้เนี่ยที่ข้าพมา่าตายแล้วก็ผู้หญิงรุ่นนั้นไปร้องเพลงแซลแซวพมา่าแซวไปจะมาเถิดฟันคอเลย แล้ ว, วามามันก็ร้องมาเพลงเพลงพมาเหตแต่ข้อแท้จริงเรียกว่าพม่าเหเห ต, เหตไปเหตุมาเลยก็เราแซวไปแซวมาฟันคอแม่ทัพตายรอนถึงบาารยงเสวดีเราร์งเสดีก็บอกเอ๊ะทำไมเนี่ยพนาดให้แม่ทัพในกองฝีมืออย่างเลิศต้องผาไปโดนตายโดนฆ่าตายเพราะเหตุไหทำไมอาจารหนุ่กี้เรื่องสาระเลียงมันเก่งแค่ไหน เอาช้างเอาควายมาเป็นช้างแล้วเมาเนี่ยแล้วมันจะไปข้าหมาได้เหรอเนี่ยลองคิดกันดูนะคิดดูาชาวบ้านมามนเป็นเพื่อนวุธิไหมขนาดแม่ทับในกองฝีมือในสงครามเนี่ยทําไมมาโดนฆ่าตายที่บ้าหลังจังไม่ได้ไม่ใช่ในจานหนูเที่ยวเมาเนะี่อย่าลืมนะผู้หญิงนะใครเป็นหัวหน้าผู้หญิงต้องบอกเลยผู้หญิงเปล่ ง, งผู้หญิงเปล่องโน่นอำเภอวิเศษใช้านอนเมียท่านกำนานท่านขุณ ไอพม่าฆ่าผัวเขาตายในเมื่อฆ่าผัวเขาตายแล้วเขาก็รวมพลเลยูหญิงนะไม่เขียนประวัติศาสตร์เลยเนี่ยนะประวัติศาสตร์มได้กล่าวกล่าวไม่ได้จริกล่าวไม่ได้เพราะไอพ่ามันเผาไปสองพันสามร้อยสิบมูล้วก็เล่าประลามประมาก็งเขียนวัติศาสตรอยู่ที่ฝรั่งหมดมีภาษารั่งอยูฝรั่งอยู่ที่ฝรั่งหมดันจะบอกให้แล้วก็เราชั้นว่าคุยิงกล้อผัวเป็นกานานเป็นขุน บรรดาศักดิ์เป็นขุนเป็นหลวงความนั้นนี่เป็นหลวงเป็นขุนเลยที่นี่แค้นใจขึ้นมาก็รวมพลเลยรวมผู้หญิงยังเรือเปรียมดาบแล้วผู้หญิงเป็นดาบไหมเนินสองให้พู้ชายไปเดือดพระตายเป็นเพลงดาบไหมไม่เป็นไม่เป้นก็ต้องสู้สู้อะไรก็รวมพลได้สี่ร้อยคนเดินทางไปเลยเมืองพรมเมืองอิน เมืองสิงอยู่ที่เมืองำอำเภอจันเมืองสุพรรณบุรีบ้านช้างบานตาลบ้านพลานเจ๊แหวงหาบ้านโูม บ, บ้านอำเภอวิเศษชายชานุชพานกบจัดรวมหมดก็มาอยู่บางจันทร์มาบางจันทร์คุณหญิงร่างเป็นคนออกอยู่บ้นานอยู่บาทเอาพวกหญิงไม้หมดแม่ไม่แม่ร่างไม้หมดยอมเสียตัวเสียภายนอกข้าพมา่าไม้หมดยอมถวายไปพระราชพิธีเจองค์พระราชา อุยินถือดาบแล้วไปร้องลาทําเพลงร้องเพลงอีแซวจาไวะแซวพม่าเพลงอีแซวดีนี้ใครว่าเป็นไหมไม่เพลงร้องไว้นี่อาจารมาจะบอกอาจารย์เสรีทั้งทั้งทำให้เก็บเพลงแซวไว้กัแซวพม่าเรียกว่าเพลงอีแซวแซวไปแซวมาพม่าก็ร้องลาพม่าเหพม่าเหแล้วก็ฟันคอม่ไม่เห่เลย ผ้าแม่ทับตายแล้วมันตะองกทับกลับดาวโหงโชคดีบอกเ่อเข้าใจทำไมนี่ฝีมือดีทําไมไปโดนข่าตายไอ้หลวงจันรพันเรืองอาจารย์ออกเที่ยวไม่เก่งแค่ไหนเอาทรงไม้ทรงไม้ทาไปโดนข่าตาอีกข่าตาเยะทําไมร้อนใจถึงโหงโชดีไอ้เจ้าหามอนไปรับอาสาอไอ้มอนรามันไปรับอาสาบอกข้าอาจารย์ช่วยขอให้ตังคข้าอเจ้าไปแม่ทับบ้างโอเค เอาตังแล้วก็บอกจุดไอ้ไข่บางจายนเลยบอกว่าไปยุ่ยแย่ให้ผู้หญิงมาแตะกันใช่ผู้หญิงนี่มันละเอียดอ่อนือเชื่อคนง่ายหูเบาเริ่มยกผู้หญิงแตะกันหมดเลยพอแตะกันหมดปั๊บเอาละยกกองทัพละทีเนี้ยไอ้หลงวงสารพันเรื่องโดนฆ่าทหารหมดผู้หญิงทองผู้หญิงทรายโดนฆาหมดมันมันแตะกันตามมาแล้วผู้หญิงปล้องถึงกับความตายคือหัวหน้าผู้หญิงปล้องตายแล้วก็ ไอ้พวกผู้หญิงนั่นเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครเนี่ยเลยทีเนี่ยเผาเผาเลยอาจารย์ทำโทษก็บอกฤๅษีมาสอคนที่สำเร็จฌานธรรมบัตรเรื่อนี้คือนี้เลยอ้าวผู้หญิงไหมเนี่ยเอานคะาถานี้ไปเอาคาทานี้ไปลองคาถาไว้จาไปแอบตามไอ้าําละเมาอคาถาคล้ายแพร่มันจะได้ไม่เห็นติดอบางใครบางใครแล้วอาจารย์ทำโทษก็หายวับเขาฌานธรรมบัไปหมเขาใหญ่เรียกว่าดวงพยาไฟ นะก็อยู่ในถ้า น, นี้อัตมาเนี่ยเป็นพิสูจนไปชอบพันเอกชมจุขันธ์ละตอนเป็นพันโทเป็นผู้พระปองพันดู่ถูกการทานต้นใหญ่ไปนั่งอยู่ในถ้า น, นี้จึงได้เห็นคาถานอว่าอาจาจรทำบมญโทษมาเขียนไว้ในถ้ำอัตมาจึงโจทย์เนะแล้วก็เราก็เขียนประวัติาสตาร์บอกอาจารย์ทำบุญโทษพม่าขาตายตายที่ไหนผู้สมเด็จชานธรรมบัต เ, เรียกว่าดวงพญาไฟ ไปโมกที่ดงพญายางไฟแล้วอยู่ในถ้านั้นแล้วเขียนว่าในาถ้ำครบเลยเป็นาปโลกเลยแต่อย่างว่าพระเจ้าคุณสมบุรีก็มีอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เราต้องไปครบคราบโดยวนทายตังมาก็ไปนั่งในถ้ำนั้นเ็ดวันไม่ต้องฉันข้าวกปเจ็ดวันจะฉันกร้างหนึ่งถามพันโทพันเอกชมทุกขันระลานได้ผู้ที่เรื่องอํานาจจิตและตังมาจึงจดคาถานนี้มาเป็นภาษาขอเป็นคาถาของอาจารย์ธรรมโชติ แล้วเขาขึ้นเขาใหญ่ใน น, าาาานั้นและเกศประวัติศาสตร์โบพม่าประตาสตร์ข้าพระเด็จฉานได้ท่านหนี้ท่านบอกแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยตายหมดนะดวงชะตาขาดนะและท่านจะให้คาถานเนี่ยให้คาถาผู้หญิงไหพอในจานหนูเที่ยวลุงสาร บ, บันเลี้ยงตายของษจใจหายไปหมดแล้วผู้หญิงมันก็ไปหมอบไปลหมอ่อมพม่าไม่เห็นเขาเรียกคาถาบังกลัดก็ไม่ตายรอดมาได้แต่ที่เราแต่ทับ ไอ้บรรจารย์เขาคูณหญิงปล้องถึงกับความตายหัวหน้าตายต้องยกจองคูณหญิงมาเซไอ้หาในจานโอเที่ยวดีๆแต่ที่เมาถือขวานไม่เขาเลือกด่าควายขี่เป็นช้างไอพ้พม่ามันตรียแหย่ซะก็จะตายหะนี่เห็นไหมเนี่ยชัดไหมทาให้เขียนผิดว่าหลวงสารพระเลี้ยงแหมยกจองแล้วคูณหญิงปล้องเอาไปไหนที่เป็นเมียทา่านขุนอยู่ที่อำเภอวิเศษฉันชาดเที่อดพมา่าคาผัวเขาตายนะ อายุ48ปีนี่รู้กันไม่จริงแล้วมีเล้ะท่านนี่นาไอ้ใครพม่ามันเป็นเพลิกบีน่ะแล้วมันเคยลบเปล่ารอปืนขึ้นมายิงโป้งเียอก็แปกไปอ่ะจะไปสู้เลยพมา่าพูดญิงเนี่ยนะฆ่าแม่ทับตายรอไม่ทับมาหมายกินเลี้ยงเลยพูดญิงออกง็ออกไป เ, เลเี้ยงออกไปเลี้ยงเลยนอะออกไปเลี้ยงนะแม่ทับพม่า ก, ก็ กินล้ากินล้าเลยก็ผู้หญิงไปร้องเพลงแซวไปแซวไวพ้พม่าแซวไปแชวมาพมา่พมาก็ลาพมา่พมาเหพม่าเห่เดี๋ยวนี้เรียกว่าร้องเพลงพมา่เาเหเข้าใจไหมต้องรู้จริงอิอเผลอหน่อยฟังคอเลยล้มฟันแม่ทับอย่างเดียวเพราะแม่ทับแต่ผมจะหาแล้วไอ้พวกนั้นก็ต้องยอมสิเข้าใจไหมผู้หญิงเนี่ยเป็นรลอยๆมาเหยอผู้ชายพอทับ สุดท้ายอาจารย์ชำโทบอกว่าชะตาขาดแล้วพอผู้หญิงกล้องตายเนี่ยตายตายแล้วก็ลูกน้องก็เสียคนชุดไอ้มอนไอ้มองไอ้ลามันมันไปบอกว่าจุดก่อน ผ, ผู้หญิงเนี่ยที่ชนะพม่าได้เพราะผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเลยก็ไอพวกราแมนก็มายุ่งผู้หญิงแต่กันผู้หญิงแต่การหาว่าผัวอปีชู่ก็เธอเธอเป็นปีชู่ก็คุณนน นาข้า่ะเข้าวแตกะกันเลยแตกะกันเลอก็หมดความทันทีพม่าเาเผาทันทีนี่เห็นไเนี่ยในจานหนูที่เก็ยกกองทาปลาตายาแม่หมดเลยตายด้วยอำนาจโทรศาต้งดุร้ายมากเห็นไหมดุร้ายใครไปเอาไม้แดงได้ใครอีดได้ฮะอ่ะคอเลยฮะอ่อเลยนะเนะดี๋ยนี้เหรอครับไม่ใช่มาก่อนในฟังรถเนี่ในมาสุดท้ายในหลวงเสด็จถวายพระกุชนอุทิศใช้แกไขาบางจัน แล้วก็โอชาลีราชช่างวัดตัดดวงมิตรไอ้พวกดวงวิญญาณไปเกิดเหมือนต้องมาข่าวเบสิชนะแต่แม่ต้องรู้จริงๆอน่อยสิไอ้โยโทสะดุร้ายไอ้ที่เราตายถนนเนี่ยมันไม่เชยอยู่สนนเนี่ยอย่างโง่ือมันก็ไปเกิดไปที่ไหนมันไปแล้วแต่ไอ้ตายเนี่ยนี่จได้แต่สงคุณผู้มีพระลอกกันเรื่อยไปหาเมียมีชู้ไปเลยนไปอินก็วิ่งรถข้าชนไอ้รถซุ้มเลยตายอยู่ตรงนั้นเลย ดุร้ายหลอกเอ่ะนี่ชาดน้ำโทรศัพท์ไปสุ ร, รกาลจำไหมบางคนรู้จริงทีน้าอ่ะรู้มาจริงมีเทตุทรที่นําฝังบางคนนี่รู้มาจริงบางทีรถถูกร ถ, ถนตายถูกยิงตายก็ถืออยู่ตรงนั้นไม่จริงจำไหมเป็นหลัก